พุทธะนักกัเอกมุนที่หนึ่งจเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องแบบเรียนอประถมผสมโพกคะถา ในประถมพระสมโภกถานีเป็นหนังสือวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาว่าด้วยประวัติของพระพุทธเจ้าซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมสมเด็จพระประมาณุชิตชิโนรสวัดวัดพระเ ช, ะเชตุพนวิมลบังคลานาลามกรุงเทพมหานครได้ทรงรุจนาถวายฉลองพระราชศรัทธา พระบาทสมเด็จพระน่งกล่าวเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แห่งพระบรมราชากกฎีวงศตามที่ได้ทรงรัฐนาไว้เมื่อพุทธศักราช 2,387 นับแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นเวลาถึงร้อยสามร้อยสี่สิบกว่าปีแล้ว ในวงการพุทธศาสนาและวงการวรรณคดีแห่งประเทศไทยเหล่านั้นได้ยกย่องว่าหนังสือพระปะทบมสมโพธิกฐานั้นเป็นวรรณคดีชั้นสูงสมบูรณ์ไปด้วยสมบัติทางวรรณคดีมีความไพเราะด้วยกวีโวหารตามแบบฉบับ ต, ตามแบบฉบับเทศนาโวหารจึงนับได้ว่า เป็นสมบัติอันล้ำค่าทีนหนึ่งของชาติไทย <c oughs> ควรได้รับการอนุรักษ์ศึกษาและเผยแพร่ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นไปทางการคณะสงฆ์พิจารณาเห็นว่าหนังสือพระปทมสมโพธิกถานี้เป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาจึงได้กำหนดให้ใช้เป็นแบบเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก เป็นเวลานานตราบเท่าทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้ผู้ที่เป็นนักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอกส่วนมากมีพื้นฐานความรู้เพียงระดับประถมศึกษาปีที่สี่หรือปีที่หกเท่านั้นซึ่งนับได้ว่าเป็นพื้นฐานที่ต่ำมากเมื่อมาศึกษานังสือพระประถมะสมโพธิกรถาซึ่งเป็นวรรณคดีชั้นสูงแล้ว การใช้ศัพท์และประโยครู้หลาเพลิดเพลิงด้วยสมนวนกวีโวหารชั้นสูงและก็พลังพร้อมไปด้วยคำบาลีและสันสกฤตผู้เรียนส่วนมากจึงไม่เข้าใจความหมายไม่ทราบซึ่งถึงรถวรรณคดีเลยเกิดความท้อถอยอเพราะฉะนั้นเมื่อหนังสือปฐ ม, มโโพสมโพที่คาถานี้ท่านได้จัดเป็นแบบเรียนแล้ว นักศึกษาหรือนักเรียนนั้นสำหรับนักรำเช่นเอกนั้นก็จําเป็นที่จะต้องเรียนเพราะฉะนั้น ผ, ผู้บรรยายนี้ก็จะขอแนะนำในเรื่องวิธีการที่จะเรียนปฐมสมโพธิกถานนี้ให้เข้าใจคือในการเร า, าเรียนที่จะให้เข้าใจนั้นเราก็ตัดออกเสียซึ่งรถวันคดีหรือโวหาร คำที่สํานวนพระกวีโวหารต่างๆแล้วก็ตัดออกไปจับเอาตัเพียงอ่านแล้วก็จับเอาตัเพียงใจความเนื้อความแห่งหนังสือแต่และปริเฉดปริเฉดนั้นมีเนื้อความเกี่ยวกับอะไรว่าอย่างไรจับเอาตัเพียงเนื้อความเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องสํานวนโวหารต่างๆเราก็ตัดทิ้งไปแล้วก็มุ่งหมายถึงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง อง์ธรรมหรือสับแสงที่จะมีในนั้นเพราะฉะนั้นก็จะได้กล่าวถึงเรื่องประถมผสมโพธิกถานี้เป็นลำดับต่อไปในปริเชตที่หนึ่งว่าด้วยวิวาหะมงคลปริวัติความหมายในปริเชตที่หนึ่งนี้ วิวาหมงคลปริวัตรนั้นก็หมายความว่าตอนอาวะาตอนที่ว่าด้วยวิวาหะมงคลคือมงคลสมรสซึ่งในที่นี้หมายถึงการอภิเสกสมรสของพระเจ้าสลิสุโธธนามหาราชกับพระนางเจ้าสริมหามายาเนื้อความในเบื้องต้นนั้นท่านก็เริ่มต้นตั้งแต่ในต้นปฐมปฐมปฐ ม, ปมกัปสมเด็จพระบรมโพธิสัตว์ สเสวยพระเจ้าสเสวยประชาติเป็นพระเจ้ามหาสมมติเทวราชซึ่งเป็นปฐมมกษัตริย์แล้วก็ได้สเสวยราชสมบัติอยู่ในสากลชมพูทวีปและก็มีพระราชโอรสเสวยราชสมบัติสืบต่อกันมาคือพระเจ้าสมมติโพติพระสมมติเทวราชนี้ มีพระราชโอรสพระนามว่โลลาโรโรชราชและต่อจากพระเจ้าโรชราชก็เป็นพระเจ้าวโรชลาาราชแล้วกัญญานาราชโวรกัญยาญาลยราชเป็นต้นได้เสวยราชสมบัติสืบต่อๆกันมาเนี่ยจนกระทั่งถึงแปด1มื่นสี่พันสิบเอ็ดพระองค์จึงมาถึง วงแห่งโอกากวงศ์ทั้งสามพระองค์ด้วยกันพระปฐมโอกาก ร, ราชและทุติยโอกากราชเสวยราชสมบัติสืบต่อกันมาหลายชั่วกระสัจนกระทั่งถึงพระเจ้าตติยะโอกาก ร, ราชพระเจ้าตติยะโอกาก ร, ราชนั้นมีพระมเหสีอยู่ห้าพระองค์ด้วยกัน มีพระนางวันหนึ่งพระนางหัตถาสองพระนางจิตราสามพระนางฉันตุสี่พระนางชาลินีห้าพระนางวิสาขาพระนางหัตถาพระมเหสีพระองค์ใหญ่นั้นมีพระราชบุตรและพระราชธิดานั้นอยู่ด้วยกันถึงเก้าพระองค์ด้กันมีพระราชบุตรนั้นสี่พระองค์ทรงพระนามว่า อกากมุกองค์ที่สองมีพระนามว่าการันทะราชกุมารพระองค์ที่สามพระนามว่าหัตถินีเกสิกและพระองค์ที่สี่นามว่านิปุระราชกุมารส่วนพระราชธิดาทั้งห้าพระองค์นั้นมีพระนามว่าหนึ่งพระนางปิยาสองพระนางสุปิยาสามพระนางอานันธาสี่พระนางวิชิตา และห้าพระนางวิชิตเสนาะอยู่ต่อมาพระมเหสีคือพระนางหัตถานั้นได้ถึงแก่ที่วงคตพระเจ้าโอกา ต, ติยะโอกาการาชนี้จึงได้มีพระราชบุตรอันเกิดจากพระมเหสีใหม่อีกพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามว่าชันตุกุมารความจริงแล้วเมื่อฟังพระนามของพระราชกุมารองค์นี้แล้วพระราชกุมารนี้น่าจะประสูติจากพระนางชันตุซึ่งเป็นพระมเหสีองค์ที่สามซึ่งเมื่อพระนางอ่าพระมเหสีองค์ที่หนึ่งคือพระนางหัตถานั่นที่วงคตไปแล้วน่าจะพระเจ้าโอกกรตติยโอกากราชนี้น่าจะยก พระนางชันตุพระมเหสีองค์ที่สามนี่ขึ้นเป็นพระมเหสีใหญ่จึงมีพระราชบุตรออกมาพระนามว่าชันตุราชกุมารพระเจ้าตัิยาโอการาชนี้ทรงโปรดปรานพระราชบุตรพระองค์นี้มากจนกระทั่งพลั้งพระโอษฐ์ให้พรแก่พระมเหสีองค์ใหม่ว่า เมื่อเจ้าต้องการสิ่งหนึ่งประการใดก็ให้ขอมาจะพระราชทานให้พระมเหสีองค์ใหม่นี้จึงได้ทูลขอพรโดยการทูลขอราชสมบัติให้แก่พระราชบุตรของพระนางพระเจ้าตัติยาโอกกรกาชแม้จะไม่ทรงพอประทศไทยที่จะให้เพราะเหตุที่ว่าการสืบสันตติวงศ์นั้น เมื่อต่อจากพระเจ้าโอกากราชแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะได้รับสืบสันตติวงศ์นั้นก็คือพร ะ, าพ ร, ะราชาโอรสองค์ใหญ่ก็คงจะเป็นพระเจ้าโอกา ก, ากมุกตามลาดับไปแต่ว่าพระมเหสีองค์ใหม่นี้ก็ทรงทราบถึงประเพณีแห่งการสืบสันตติวงศ์เห็นว่าลูกชายของอพระราชโอรสของพระองค์นั้นของนางนั้นไม่มีทางที่จะได้ รองราชแน่ก็จึงได้ขอทูลขอราชสมบัติให้แก่พระราชบุตรของพระองค์เองตามที่พระเจ้าตัติยาโอกากราชนั้นประทานพรให้พระเจ้าตัติยาโอกากราชนั้นถึงแม้จะไม่พอพระไทยที่จะประทานให้แต่เพราะเหตุที่พลังพระโอษฐ์ได้พระราชทานพรไปแล้วท่านจะไม่ให้เสียก็จะเป็นการที่เสียาวาจาสักไป ก็จำต้องที่จะต้องรักษาวาจาศักดิ์เป็นธํานองที่ว่าเป็นกษัตริย์แตกแล้วไม่คืนคำดังนั้นพระเจ้าตัติยะโอกากราชนี้จึงได้เรียกพระราชบุตแ ร, รตและพระราชพระราชบุตรและพระราชธิดาทั้งเก้าพระองค์มามาเฝ้าแล้วก็จึงได้เล่าถึงเหตุการณ์ทรงเล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังแล้วก็จึงได้กล่าวแก่ พระราชโอรสและทิดาทั้งเก้าว่าให้ช่วยรักษาวาจาศักดิ์ของพระองค์ไว้โดยขอให้พระราชบุตรและพระราชธิดาทั้งเก้าพระองค์นี้ออกไปสร้างพระนครอยู่ใหม่และต่อเมื่อพระองค์นั้นที่วงคตแล้วจึงค่อยกลับมาเอาพระราชสมบัติคืนพระราชโอรสและพระราชทิดาทั้งเก้านั้นก็จึงได คูลาพระเจ้าตติยะโอกากราตออกไปออกจากพนันครไปขึ้นไปในทางทรงพระราชดำเนินไปในทางทิศเหนือจนกระทั่งถึงชายแดงของป่าหิมะพานก็จึงได้ไปพบกบิลดาบทพระโพธิสัตว์ ซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นกับบิลดาบทนั้นท่านเห็นพระราชกุมารและพระราชาชากรากุมาลและกุมาลีทั้งเก้าพระองค์พร้อมด้วยบริวาร น, นั้นสเสด็จมาจึงได้สอบถามดูทราบว่าจะมาสร้างพระนครอยู่ใหม่จะมาสร้างพระนครอยู่ใหม่ก็บิลดาบทนั้นก็จึงได้แนะนํา ให้สร้างอยู่ในสถานที่ที่เป็นที่อยู่ของตัวเองซึ่งกบิลดาบทนั้นได้สร้างอาสมอยู่ที่ถ้ำกลางดงไม้ส ก, กะหรือสากระซึ่งเห็นว่าสถานที่นี้เป็นมงคลละสถานจึงได้แนะนําเช่นนั้นว่าให้สร้างพระนครอยู่ในสถานที่นีโ้โดยกล่าวว่าสถานที่นี้เป็นมงคลละสถาน ต่อไปพระนครที่สร้างในสถานที่นี้จะเป็นพระนครที่ปรากฏชื่อเสียงโด่งดังในชมภูทวีปแม้แต่บุคคลที่เกิดในพระนครนี้ก็สามารถที่จะคมขูบุคคลที่ในที่อื่นได้แม้ตั้งร้อยคนก็จึงให้สร้างให้สร้างอยู่ในที่นี้ พระราชบุตรและพระราชธิดาทั้งก้าพระองค์ก็ตกลงสร้างตามคำแนะนำของก บ, บิลดาบุตรพระโพธิสัตว์นั้นเพราะฉะนั้นชนบทนี้เพราะเหตุที่ว่าตั้งอยู่ในดงไม้ส ก, กะหรือสากะจึงได้มีนามชื่อว่าส ก, กะชนบทตามสถานที่อันเป็นที่ตนเองสร้างนั้นแล้วพระนะครนี้ก็จึงได้มีนามว่ากบิลพั ตามคแนะนาโดยการที่สร้างตามคำแนะนำของก บ, บิลดาบดแล้วก็ได้ถวายนามได้ถวายนามพระนครนี้เป็นที่ลึกแก่ก บ, บิลดาบดนั้นว่าก บ, บิลพัทนเมื่อสร้างพระนครเสร็จแล้วกษัตริย์วงนี้กษัตริย์วงนี้จึงได้พิเศษสมรส กันเองระหว่างพี่น้องก็เพราะเหตุว่าอำมาตย์ทั้งหลายที่ได้ติดตามไปนั้นเห็นว่าเพื่อเมื่อพระนครสร้างเสร็จแล้วคิดว่าถ้าหากว่าพระนครใดก็ตามไม่มีพระราชโอรสที่จะสืบราชสมบัติต่อไปพระนครนั้นก็ไม่มั่นคงจึงดำริคิดว่า พระราชกุมารทั้งสี่พระองค์นี้ก็จเจริญไหยพอที่จะอภิเศกสมรสได้แล้วถ้าอยู่ในสำนักของพระราชบิดาพระราชบิดาก็จะอภิเศกสมรสให้แล้วเพราะฉะนั้นก็คิดที่จะไปทูลขอกระสับแห่งพระนครอื่นมาอภิเษกสมรสก็จึงได้กราบทูลเรื่องนี้แด่พระราชกุมารทั้งสี่พระองค์ พระราชกุมารทั้งสีพระองค์นั้นไม่ทรงเห็นด้วยโดยที่ไม่เชื่อแน่วะไม่ทรงเชื่อแน่วะนางกษัตริย์ในพระนครอื่นนั้นจะเป็นนางกษัตริย์ที่แท้จริงคือจะเป็นนางนางกษัตริย์ที่บริบูรณ์ทั้งฝ่ายบิดาและฝ่ายมารดาคืออาจจะเป็นนางกษัตริย์ที่เกิดจากบิดาเป็นกษัตริย์ แต่แม่เผิดจากสามัญชนก็ได้กลัวเลือดแห่งความเป็นกษัตรินั้นจะจืดจางไปในเมื่อถึงชั้นแห่งลูกหลานดังนั้นก็เห็นว่านางกษัตริ์ที่มีเชื้อสายเป็นกษัตริย์แท้ๆทั้งฝ่ายพระราชบิ ด, ดาและมารดา น, นั้นก็เห็นมีแต่กนิษฐาพคินีของตนเองเท่านั้นก็จึงได้พอใจที่จะอภิเสกสมรส พระคินีของตัวเอกอำมาตทั้งหลายก็มีขัดไม่ได้ขัดพระทัยของพระองค์ดังนั้นพระราชกุมารราชกุมารีทั้งแปดพระองค์นั้นก็จึงได้ยกเอาพระเชษฐาพระคินีซึ่งเป็นพี่สาวใหญ่ก็คือว่าพระเจ้าตติยาโอกก ร, ราชนี้มีพระราชธิดาเป็นพระองค์หัวปีคือมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งเป็นองค์โต พระราชกุมารกุมารีทั้งแปดพระองค์นี้ก็จึงได้ยกย่องพระราชธิดาองค์โตนั้นไว้ในฐานะแห่งมารดาแล้วทั้งสี่ทั้งแปดพระองค์ด้วยกันก็ได้อภิเสกสมรสกันเป็นคู่คู่โดยที่พี่ชาอยพระเชษฐานั้น พ, พิเศษอภิเษกสมรสกับพระกนิษฐาคือคือพี่ชายนั้นสมรสกับน้องสาวของตัวเองเป็นคู่คู่ได้กันสี่คู่ เหตุนั้นกษัตริย์วงนี้จึงได้นามชื่อว่าสากยวงศ์แปลว่าวงของกษัตริย์ผู้สมสู่กันเองระหว่างพี่น้องกษัตริย์แห่งสากยวงศ์นี้ในสือสันติวงศ์ต่อกันมาอีกหลายชั่วกริย์จนกระทั่งถึงพระเจ้าสิวีลาช พ ร, พระเจ้าซีวีฮราชและซีวีราชนี้ก็เป็นพระราชบิดาของพระเจ้ากรุงสนชัยพระเจ้ากรุงสนชัยนั้นก็เป็นพระราชบิดาของพระเวสสันดรครั้งนั้นพระนคร น, นี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไปเป็นเชตุนดรเมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์ที่วงคตไปบังเกิดอยู่ในดุสิตเทวโลก พระชาลีก็ได้พิเศษตัวรถกับผนางกันหาแล้วก็ได้มีราชโอรสราชธิดาสืสันติติวงศ์ต่อกันมาอีกถึงหนึ่งแสนหกพันถึงหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันพระองค์ด้วยกันจึงมาถึงสมัยของพระเจ้าชัยเสณ ร, ราชา พระเจ้าชัยเสน ร, ราชานั้นก็มีพระราชโอรสพระองค์หนึ่งนามว่าพระเจ้าสี ห, หานุและมีพระราชธิดาพระองค์หนึ่งพระนามว่ายะโสทราครั้งนั้นพระนครนามของพระนครก็ได้ ก, กลับมาเป็นนามว่ากบิลพัท ด, ดุดเดิมพระเจ้าสี ห, หานุนี้พระเจ้าชัยเสนะ ราชานั้นได้ไปทูลขอพนางเจ้าการนาซึ่งเป็นฝ่ายแห่งโกริยวงนั้นมาพิเศษสมรสกับพระเจ้าสีหานุเมื่อพระเจ้าชัยเสนราชานั้นเสด็จที่วงคตแล้วพระเจ้าสีหานุนี้ก็จึงได้ครอบครองราชสมบัติ แห่งกรุงก บ, บิลพัส์สืบมาพระเจ้าศีหาหานุกับพระนางการจานานีไม่ได้มีพระราชโอรสห้าพระองค์ด้วยกันกับพระราชธิดาสองพระองค์คือหนึ่งพระเจ้าสุทโธทธนะสองสุโกธนะสามอมิโตธนะสี่โทโตธนะห้าคณิโตธนะ และพระธิดาสองพระองค์นั้นก็คือพระนางอมิตาและปมิตาเมื่อพระเจ้าสุโธธนะพระราชโอรสองค์ใหญ่นี้เจริญวัยวัฒนาพอที่จะปกครองราชสมบัติแทนพระองค์ได้แล้วพระเจ้าศรีหหหนุก็จึงได้ส่งพราหมณ์แปดคนไปเพื่อไปสู่ขอพระนางเจ้าสุริมหายาเทวีพระราชธิดาของพระเจ้าอัญชนะ กับพระนางยะโสธราซึ่งพระนางยะโสธรานี้ก็เป็นพระราชกจนิถาคือน้องสาวของตนเองคือของพระเจ้าสีหานุแห่งเทวทหานครมาเป็นพระมเหเป็นพระเทวีของพระเจ้าสุดโทธนะสืบต่อไปก็พนางสลิมหามายานี ท่านกล่าวว่าเป็นหญิงเบญจกัลยานีคือประกอบไปด้วยความงามห้าประการด้วยกันแล้วก็สมบูรณ์ไปด้วยอิทีลักษณะอีกหกสิบสี่ประการหญิงเป็นเบญจกัลยานีนี่หมายถึงว่าหญิงผู้มีความงามห้าประการห้าประการนี้ก็ประการที่หนึ่งเกศกัลยา น, นังผมงาม 2. ชวิกัลยานังผิวงามสามังสะกัลยานังเนื้องามสี่อธิกัลยานังกระดูกงามและก็ห้าวัยะกัลยานังไวงามเกษะกัลยานังคือหญิงที่มีผมงามนี้ท่านได้กล่าวพรณนาไว้ว่าเส้นผมนี้ดำสนิบ เป็นเส้นที่ละเอียดอ่อนเป็นพวงเหมือนกับพวงแห่งดอกกันนิกาในขณะที่สะบัดขึ้นไปทางเบื้องหลังถ้าหากว่าเป็นคนที่มีผมยาวแล้วเมื่อผมนี้ถูกขอบชายผ้หนุ่งนั้นปลายก็จะงอนขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดยที่ไม่ต้องดักแล้วก็เกศกัลยานังนี้แม้จะอยู่ไปจนถึงแก่เท่าแล้วผมอันนี้ก็ไม่หงอกจะไม่ขาวไม่หงอกไม่ขาวแม้แต่เส้นเดียวนี่ถือว่าเป็นเกศกัลยานังหญิงที่มีผมงาบสองชวิกัลยานังหญิงที่มีผิวงามหญิงที่มีผิวงามนี้ไม่จำกัดว่าจะเป็นผิวขาวหรือผิวดำ ผิวขาวนั้นท่านก็บอกว่าขาวโดยที่ไม่มีไฟฝีขี้แมงวันขี้แมลงวั น, วนเป็นผิวที่ขาวเกลี้ยงเหมือนกับดอกขั้การิกาแล้วก็ผิวดำนี้ก็เหมือนกับบัว อ, อุบลบัวขบับซึ่งเป็นผิวที่เรียบไม่มีไยฝีขี้ ที่มแมลงวันเหมือนกันจัดได้ว่าเป็นหญิงที่มีผิวงามมังสะกระยานางนี้หมายถึงหญิงที่มีเนื้องามเนื้อในที่นี้ท่านอธิบายไว้สองประการเดียกันบางอาจารย์ได้กล่าวว่าคําว่าเนื้อ ง, งามนี้หมายถึงว่าริมทีปากงามริมทีปากที่งามนั้นก็คือมีแสงมีสีแดงเลื่อนเลือดแบบธรรมชาติที่เราเรียกกันว่า เหมือนกับลูกมาพลับโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใช้สีหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแต้มแล้วก็ริมพิปากนี้เวลาเ ม, ม้มเวลาผูกริมปากนั้นก็เรียบสนิทโดยไม่มีช่องโหว่เรียกว่าริมพิปากงามแต่บางอาจารย์ได้กล่าวว่าคําว่าเนื้อมังสกัลยานังนี้คําว่าเนื้องามนี้หมายถึงว่าเงือกงาม บางอาจารย์ก็ได้กล่าวเช่นนั้นประการที่สี่ที่เรียกว่าอธิกัลยานังกระดูกงามนั้นหมายถึงว่าฟันงามไม่ใช่กระดูกในเนื้อแต่ว่าหมายถึงว่าฟันงามฟันงามนี่ท่านบอกว่าได้แก่ฟันที่ขาวเป็นระเบียบไม่มีล่องไม่ห่างเหมือนกับระเบียบแห่งสังนี่เรียกว่าฟันงาม ประการที่ห้าวัยกาลยานางนี่หมายถึงว่าวัยงามวัยงามนี่หมายถึงว่าสวยไม่ตกแม้จะมีบุตรแล้วถึงหกเจ็ดคนหรือสิบคนก็ตามก็ยังแลดูสาวเหมือนกับมีบุตรเพียงคนเดียวเ ท, ท่านั้นนี่แท่ากล่าวว่าวัยงามห้าประการนี้เป็นจากาลยาณีนี้ท่านกล่าวว่าพระนางเจ้าสิริมหามายานั้น เป็นผู้สมบูรณ์พร้อมด้วยเบญจ ก, กัลยา น, นีและนอกจากนั้นแล้วยังประกอบไปด้วยอิทธิลักษณะ6ประการไอ้64ประการซึ่งอิทธิลักษณะ64ประการนี้ก็รู้สึกว่าถ้าหากจะนำอธิบายในที่นี้แล้วก็จะกินเวลามากเกินไป เพราะฉะนั้นก็จะขอผ่านเลยไปซึ่งพระนางเจ้าสลิมหามายานนี้พร้อมไปด้วยมูลทุ ก, อ, ทกอย่างซึ่งความงามนั้นพระเจ้าพระเจ้าสี ห, หานุนี้ก็จึงได้ไปทูลขอมาเพื่ออภิเสกสมรสกับพระเจ้าสุโธทนะเมื่อกระทาการราชาพิเศษ กับพระเจ้าสุโธทนะแล้วพระเจ้าศีห า, หานุนี้ก็จึงได้สระราชสมบัติให้พระเจ้าศีห า, หานุครอบครองต่อไปนี่เป็นเนื้อความในปริเทตที่หนึ่งที่ว่าด้วยวิวาหะมงคลปริวัติก็ในการที่ประกอบ อาวาหะมงคล น, นี้ก็ได้กระทำกันณที่สวนลุมพินีวันซึ่งอยู่ในระหว่างกรุงก บ, บิลพัทกับกรุงเทวทหะนั้นแล้วก็เมื่อได้ทำอาวาหาวิวาหะมงคลกันแล้วก็จึงได้อัญเชิญจึงได้อัญเชิญพระนางเจ้าสิริมหามายานีมาประทับร่วมพิรมแก่พระเจ้าสุโธธนะ ณกรุงกบิลพัทมหานครและก็ได้เป็นผู้ครอบครองราชสมบัติสืบต่อไปก็นับว่าในปริเฉดที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องวิวาหะมงคลปริวัติก็ได้จบลงเพียงแค่นี้ขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพร เรียนสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกทุกท่านสำหรับในวันนี้ก็จะได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องหนังสือประถมสมพูดในปริเขตที่สองสืบต่อไปในปริเขตที่สองว่าด้วยดุสิตปริวัติ ในดุสิตบริวัตินี้ก็หมายความว่าตอนที่พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญบารมีมาในชาติที่เป็นพระเวสสันดรแล้วก็เด็กเกิดเป็นสรนดุสิตเทวราชบนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็จุิมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาปฏิสนธิในพระครันแห่งพนางเจ้าสุริมหามายาราชเทวีอัครมเหสีของพระเจ้าสุริสุทโธธนะมหาราชณกรุกบิลพัทราชธานี เนื้อความในปริเชตนี้ก็มีว่านับถอยหลังจากพัฒกรับนี้ไปสี่อสงไขกับหนึ่งแสนกับพระบรมโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายก็บังเกิดเป็นสุมเมทดาบทได้พบพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกร เกิดศรัทธาเลื่อมใสก็ได้กระทําความปรารถนาพระสัพพัญญุตยานโดยการที่ทอดตัวของตนเองนั้นให้เป็นสะพานให้พระพุทธเจ้าพระนามาทีปังกอนพร้อมด้วยพระพิสุส่งสองหมื่นลูกนั้นสเสด็จข้ามโดยที่เหยียบตนเองข้ามไปโดยที่ไม่ต้องการให้พระทีปังกอกับพระพิสุสง่์ทั้งหมดนั้น อ่าเปื่อนโคลนดังนั้นเมื่อพระสมเด็จพระพุทธเจ้าพระนามาทีปังกรอนพร้อมด้ดยพิสุสงได้เหยียบร่างกายของสุมเมธดาบทนี้ผ่านไปแล้วพระองค์ก็ประทับยืนหยุดอยู่ในหมู่แห่งพิสุสงทั้งหลายแล้วก็จินได้ พยากรณ์ได้พยากรณ์ว่าต่อจากนี้ไปอีกสี่อสงไขยกัหนึ่งแสนกับสุเมธดาบทผู้นี้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าโคดมดังนั้นสุเมธดาบทนี้เมื่อได้รับพุทธพยากรณ์อย่างนี้แล้วก็นับได้ว่าเป็นนิยตะโพธิสัตว์ คือเป็นพระโพธิสัตว์อย่างแน่นอนและจากนั่นมาก็ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าอีกถึงยี่สิบสี่พระองค์ด้วยกันนับตั้งแต่พระเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่าทีปังกรเป็นต้นจนกระทั่งถึงพระกสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่สุดและสุมเมธาดาบทนี้ก็จึงได้บำเพ็ญ มหาบริอาจได้บำเพ็ญมหาบริจาคถึงห้าประการด้วยกันมหาบริจาคถึงห้าประการนี้ก็คือหนึ่งบริจาคทรัพย์เป็นทานสองบริจาคอวัยวะเป็นทานสามบริจาคบุรต Dutch, รให้เป็นทานสบริจาคชีวิตให้เป็นทานบรและก็ห้าบริจาคพัญญาให้เป็นทาน แล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีสามสิบประการมาอย่างสมบูรณ์คือทศ บ, บ, บ, บารมีสิบประการบุปปาารมีสิบประการและก็ปรรมณธรมบารมีสิบประการซึ่งเป็นขั้นบารมีธรรมดาขั้นปานกลางและขั้นอุปติในบารมีสามสิบประการนี้องค์แห่งบารมีนั้นองค์ธรรมแห่งบารมีนั้นก็มีสิบประการ คือหนึ่งทานบารมีทรงบำเพ็ญทานทรงบำเพ็ญมหาทานสองศีลบารมีทรงบำเพ็ญศีลสามเนคขมะบารมีทรงบำเพ็ญการบรรพชาสี่ปัญญาบารมีทรงบำเพ็ญพระปริชาญาณห้าวิทยะบารมีทรงบำเพ็ญความเพียรหกขันติบารมีทรงบำเพ็ญขันติธรรม เจตสจะบ ร, รมีทรงบำเพ็ญความสัตย์แปดอธิษฐานบ ร, รมีทรงบำเพ็ญการจะทำอธิษฐานเก้าเมตตาบ ร, รมีทรงบำเพ็ญการเจริญเมตตาและสิบอุเบกขาบ ร, รมีทรงบำเพ็ญการวางเฉยพระโพธิสัตว์องค์พระโพธิสัตว์นั้นได้บำเพ็ญบ ร, รมี ทั้งสามสิบประการตั้งแต่ทานน้ำบารมีเป็นต้นเฉพาะการในบรมเพญการพระบารมีให้พระโลหิตเป็นทานท่านก็กล่าวไว้ว่ามากกว่าพระมหาสมุดทั้งสี่ให้มังสะเป็นทานนี้ก็อาจจะยิ่งไปกว่าพื้นมหาปตพีเรียกว่าบําเพนต่อมา จนกระทั่งถึงสีอสงไขยกับแสงกลับจึงไปอันได้ว่าการที่พระโพธิสัตว์มีอานิสงส์เป็นอันมากในการบำเพ็ญ น, นี้กล่าวคือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์นั้นจะไม่เป็นคนที่ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดไม่เป็นคนหูหนวกมาตั้งแต่กำเนิดไม่เป็นคนใบ้ไม่เป็นคนบ้ า, ไ ม, นนบาไม่เป็นคนเปรี้ย ไม่เกิดในมิลกกะประเทศคือประเทศที่ไร้ความเจริญหรือประเทศที่ป่าเถื่อนไม่เกิดในท้องของนางทาสีและไม่เป็นนิยตมิชาดิติคือมีความเห็นผิดอย่างดีงามและจะไม่กลับเพศเป็นสตรีไม่กระทําอนันตเริยกรรมทั้งห้าซึ่งมีการฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพระอรหันต์ทำโรหิตุบาทและก็ทําลายสังฆเพศ จะไม่เป็นคนเป็นโลคเลื้ยนเมื่อเกิดเป็นสติฉานกายก็ไม่เล็กไปกว่านกกระจาบและก็ไม่โตไปกว่าช้างไม่เกิดในคุปปิปาสิกะเปรตนิชามะตันฮิกะตันฮิกะเปรตและกาละกันชาสูนไม่เกิดในเอเวจีมหานรกและในโลกันตริตตนรกเมื่อเกิดในกามาผจรแล้วก็ไม่เป็นมาร เมื่อเกิดในรูปาวจรภพ ก, ไก็ไม่เกิดในชั้นสุดทธาวาดไม่เกิดในอรูปอรูปภพแล้วก็ไม่ย่างเก่าไปเกิดในจักรวาลอื่นพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ในภพใดๆก็ตามก็มีพระทัยยินดีไปด้วยในการบรรพชาประพฤติจริยาทั้งสามประการ มียาตถาจริยาคือการสงเคราะห์ญาติเหล่านี้เป็นต้นมิได้ขาดทรงบำเพ็ญบารมีในชาติต่างๆครบทั้งสามสประการ<อ>เฉพาะในชาติที่เป็นพระเวสสันดรคือในชาติสุดท้ายนั้นได้บำเพ็ญบารมี ครบทั้งสิบประการอย่างบริบูรณ์หรือว่าบรารมีสามสิบประการครบถ้วนบริบูรณ์หมดแม้แต่วันในวันประสูตรก็ได้ตรายแกมบรรดาเพื่อที่จะขอบําเพ็ญทานและบริจาคเพราะโพธิสัต์นั้นได้บำเพ็ญบารมีครบทั้งสามสิบประการในนี้ในชาติที่เป็นเวสสันดร อ, อย่างนี้แล้วครั้นที่วงคดไปแล้วก็ได้อุบัติ เป็นเท้าสันดุสิทธิเวราชเสวยที่พยสมบัติอยู่ในดุสิทธิเวโลกจนกระทั่งบรรลุการแก่กล้าแห่งพระโพธิญาณแล้วเทพยาดาทั้งหลายก็จึงได้อาราธนาให้จุติลงสู่พระคันก็ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกนั้น เทามหาพรหมทั้งหลายในชั้นสุทาวาทั้งห้าคือในชั้นอวิหาอตตป า, า, า, าสุทัศสาสุทัศสีและอากนาิฐานั้นและอนิอักกนิธการากานั้นพร้อมด้วยเทวดาทั้งหลายก็ได้โคธนาได้เที่ยวโคษนาทั่วไปหมื่นโลกธาตุ อันเป็นเหตุแห่งพุทธโกลาผลว่าต่อไปนี้อีกหนึ่งแ <c oughs> สนปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นจะบังเกิดขึ้นในโลกถ้าผู้ใดใครจะพบจะพบองค์ทุเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็จงบำเพ็ญทานรักษาสิ่งเจริญภาวนานและก็บำเพ็ญกุศลต่างๆเพราะฉะนั้น เหตุที่ทําให้ท้าวมหาพรหมกับพระเทวดาทั้งหลายเกิดโกราหุด้วยกันนั้นก็มีอยู่ห้าประการห้าประการนั่นก็คือหนึ่งพุทธโกราหุนคือก่อนที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยหนึ่งแสนปีโพ <c oughs> ยเทพเทวดาและพรหมทั้งหลายนั้นก็จะเที่ยวโฆษณาประกาศไปทั่วหมื่นจักรวาลว่า จากนี้ไปอีกหนึ่งแสนปีพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลกเพราะฉะนั้นบุคคลที่ต้องการจะพบนั้นก็จงรักษาศีลห้าไว้บำเพ็ญศีลเจริญภาวนารักธรรมกุศลมต่างๆนี่ประการหนึ่งและก็ประการที่สองกลับปะโกลาหล์นก่อนที่กลับของเรานี้จะพิ น, นาศก่อนที่กลับของเรานี้จะพิ น, นาศถึงหนึ่งหมื่นปี เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้ก็จะเที่ยว บ, บอกประกาศแก่ชาวโลกหมื่นจักรวาลทั้งหลายว่าต่อไปนี้อีกหนึ่งหมื่ปีกับของเราล้วนโลกของเรานี้จะ <c oughs> พินาศเพราะฉะนั้นก็ให้ประชาชนทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจงรักษาศีลเจริญภาวนาไว้ประการที่สามจั ก, กรวัตติโกลาหลุน กนที่พระเจ้าจากักรพรรดจะอุบัติขึ้นในโลกนี้หนึ่งร้อยปีเทวดาก็จะประกาศโฆษณาต่อไปพระเจ้าจากักรพรรดนี้หมายถึงพระเจ้าโลกคือในฝ่ายอาณาจักรนั้นพระองค์จะเป็นผู้ปกครองโลกทั้งหมดแต่ในฝ่าพุทธจักรนั้นพระองค์จะเป็นผู้สอนธรรมแก่ประชาชนเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่าพระเจ้าจากักรพรรด พระเจ้าจักรพรรดนี้จะอุบัติขึ้นในการที่ว่างพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก่อนที่พระเจ้าจักรพรรดิจะอุบัติขึ้นในโลกนี้ร้อยปีเทวดาก็จะเที่ยวประกาศให้ประชาชนหมู่ทวยเทพเทวดาทั้ทงหลายนั่นรู้กันทั่วไปว่าใครต้องการจะพบพระเจ้าจักรพรรดิก็ให้ทําบุญทำบุศล่ไว้ภาษาสินห้าไว้สี่มังคละโกลาหน์นโกลาห์นเกี่ยวกับเรื่อง ที่จะมีพระภิกษุองค์หนึ่งอ่าที่จะมีบุบคคลอ่าที่ที่พระพุทธเจ้าจะตรัสถึงเรื่องมงคลอก่อนที่พระพุทธเจ้าจะสสแสดงถึงเรื่องมงคลถึง12ปีนี้เทวดาก็จะเที่ยวประกาศเป่าล้องแก่ชาวโลกทั้งหลายว่าต่อไปนี้อีก12ปีพระพุทธเจ้านั้นจะสแสดงว่าสิ่งใดเป็นมงคลในโลกและก็ห้าโมนยะโกลาหน ก่อนที่จะมีคนทูลถามเรื่องโมนเนยะปฏิบัติเนี่ยเจ็ดปีเทวดาก็จะเป่าประกาศให้ประชาชนชาวโลกทั้งหลายได้รู้กันทั่วไปว่าต่อไปนี้อีกเจ็ดปีจะมีคนมาถามเกี่ยวกับเรื่อ ง, องโมนเนยะปฏิบัติดังนั้นทวยเทพเทวดาทั้งหลายได้เป่าประกาศว่าต่อไปนี้อีกแสนปีองคุสมเด็จพระสัมมาจะสมพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นในโลก พทะเทวดาทั้งหลายก็จ้องจับว่าเทพเจ้าองค์ใดหนอจะลงจะลงไปตรัสเป็นองค์สมมาสมพุทธเจ้าก็จึงได้คอยเวลานั่งกันอยู่จนกระทั่งผ่านมาถึงหนึ่งแสนปีปุพานิมิตห้าประการก็รจึงได้ปรากฏขึ้นแก่พระบรมโพธิสัตว์คือเท้าสันตุสิทธิเทวราช ปกผ้านีมิถ้าประการนั้นก็ถ้าจะแปลนง่ายๆก็คือวาลางบอกเหตุให้รู้ว่าใครกันแน่ที่จะจุติซึ่งลางบอกเหตุทั้งห้าประการนี้จะมีขึ้นแก่เทวดาทุกตนที่จะจุติจากเทวโลกเพราะเหตุที่ว่าเป็นผู้ที่หมดบุญแล้วไม่สามารถจะอยู่ในเทวโลกได้เมื่อจะจุติลงมาจากเทวโลกนั้นลางบอกเหตุห้าประการนี้จะปรากฏแก่เทวดาที่จะจุติทุกองค์ ลาบบอกเหตุหรือว่าปั ญ, ปญจัะปุพหนิมิตห้าประการนี้ก็ได้แก่หึงทิพยะปุพหะก็คือดอกไม้ทิพย์ที่ประดับผู้วกรกายนั้นเหี่ยวแห้งซึ่งตามปกติแล้วในสวรรค์นั้นดอกไม้แอมนเทิพย์นั้นจะไม่เหี่ยวไม่แห้งถ้าดอกไม้แต่ว่าเด็ดออกมาประดับของเทพปมุติเทพธิดาองค์ใดก็จะไม่เหี่ยวแห้งแต่ดอกไม้อมันเป็นทิพย์นี้เมื่อประดับอยู่ที่ องของเทพปรมุตและเทพปรดาองใดเหี่ยวแห้งก็แสดงว่าเทพปรมุตเทพปรดาองนั้นจะจุติแล้วใกล้จะจุติประการที่สองทิพยภาพปุภาที่ทรงเศร้าหมองก็หมายถึงว่าเสื้อผ้าอภรรที่ประดับตกแต่งนั้นในร่างกายนั้นมองดูแล้วเศร้าหมองเพราะของเป็นทิพนี้ไม่เศร้าหมองแต่ว่าถ้าเศร้าหมองก็แสดงว่าผู้สวมนั้นใกล้จะจุติ ประการที่สามพระเสโทคือเหงือ่อจะบังเกิดไหลออกทางช่องพระกัจฉะคือรักแล้ท่านกล่าวว่าในสุสวรรค์ น, นั้นแม้แต่เหงื่อใครนี้ก็ไม่มีเพราะอากาศหรือว่าอุณหภูมินั้นสม่ำเสมอไม่มีร้อนและไม่มีเย็นจักเกินไปเพราะฉะนั้นเรื่องที่เหงื่อนั้นหรือว่าของเศร้าหมองของกลิ่นเหม็นที่ในเทวโลกนั้นจะไม่มี แต่เทพพระบูรเทพธิดาองค์ใดนั้นมีเงือออกจากร่างกายก็แสดงว่าใกล้ที่จะตุติแล้วแต่ที่ท่านท่านเดกกล่าวไว้ว่าไหลออกทางช่องพระกระฉันั้นเพราะเงือที่จะออกเป็นจุดแรกนั้นก็คือออกที่ช่องลักแร่เพราะลักแร้เหล่านี้หับอยู่เสมอประการที่สี่พระสรีรกายมีอาการชลาปรากฏพวกเทพพระบูรณะเทพธิดาทั้งหลายนั้น เป็นคนที่มีร่างกายหรือหน้าตาที่นุ่มอยู่เสมอไม่แก่ไม่เฒ่าแต่เทพบุตรและเทพธิดาองค์ใดนั้นมีร่างกายแสดงออกขึ้นความแก่ชราก็แสดงว่าเทพบุตรเทพธิดาองค์นั้นใกล้จะจุติแล้วข้อห้ามีพระไทยประสันเป็นทุกเบื่อหน่ายเทวโลกธรรมดาเทวโลกนั้นที่เราเรียกว่าสวรรค์สวรสวรค์นั้นแปลว่ามีอารมณ์เลิศ บุคคลใดไปเกิดในที่นั้นก็ย่อมติดอยู่ในสวรรค์อันเลิศนั้นทั้งนั้นไม่มีใครเบื่อหน่ายไม่มีใครที่จะอยากไปจะที่อื่นอยากจะอยู่ในที่นั้นตลอดไปแต่ถ้าเทพบุตรและเทศิดาองค์ใดเกิดเบื่อหน่ายเทวโลกก็แสดงว่าหมดบุญแล้วใกล้จะจุดติดแล้วอาการทั้งห้าประการที่เราเรียกว่าปุถุภนิบิตห้าประการนี่แหละก็ได้ปรากฏขึ้นแก่เท้าสันดุสิตเทวราช ให้ประจักษ์แก่สายตาของเทพเจ้าทั้งหลายหรือเทวดาทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็จึงได้รู้ว่าพระชาวสันตุสิทธิเทวราชองค์นี้แหละคือองค์พระสัพพัญยูโพธิสัตที่จะอุบัติขึ้ น, นในโลกเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จึงได้พากันกราบทูลอาราธนาเพื่อให้จุติลงมาบังเกิดในมนุษยโลก องค์พระโพธิสัตว์นั้นเมื่อทวยเทพเทวดาทั้งหลายกล่าวอาราธนาเช่นนั้นก็ยังไม่ได้รับอาราธนาเลยต้องทวงตรวจ ด, ดูความพรั่งพร้อมซะก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่พระองค์จะรับอาราธนานั้นพระองค์ทรงตรวจ ด, ดูอย่างยิ่งใหญ่หรือว่าอย่างการตรวจ ด, ดูอย่างสําคัญห้าประการที่เรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะคือการตรวจ ด, ดูอย่างสําคัญห้าประการด้วยกัน ห้าประการนั่นก็คือหนึ่งการสองทวีปสามประเทศสี่สกุลและก็ห้ามารดาการนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะอุบัติขึ้นในโลกนั้นจะอุบัติเฉพาะในการที่อายุขของมนุษย์มีอยู่ระหว่างหนึ่งร้อยปีถึงหนึ่งแสนปีเทนั้น ถ้าน้อยไปกว่านั้นก็ไม่อุบัติขึ้นและถ้ามากไปกว่านั้นก็ไม่อุบัติขึ้นเหตุใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่อุบัติขึ้นในการที่อายุไข ข, ของมนุษย์น้อยกว่าร้อยปีเพราะเหตุที่ว่าอายุอายุไ ข, ขของมนุษย์ระยะการที่มนุษย์มีอายุไขเพียงร้อยน้อยกว่าร้อยปีนั้นมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยความประมาทความลินเลเป็นคนว่ายากสอนยาก จะสอนจะสั่งสอนสิ่งใดก็เชื่ อ, อยากเป็นคนที่เต็มไปด้วยความประมาทหรือเรียกเป็นอีกประการหนึ่งก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยจะมีศีลธรรมท่าไรนะเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ก็จะไม่อุบัติขึ้นเพราะเมื่ออุบัติขึ้นมาแล้วคําสั่งสอนของพระองค์ก็จะเป็นหมันเสียนี่ประการหนึ่งประการที่สองในขณะ ระยะกวลาที่อายุไขของมนุษย์เนี่ยเกินกว่าหนึ่งแสนปีพระองค์ก็จะไม่อุบัติขึ้นเพราะอะไรเพราะอายุของมนุษย์ที่เกินหนึ่งแสนปีนั้นจะสอนให้รู้คําว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นสอนให้รู้ยากคือสอนให้รู้คำว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงนั้นหรือว่าสอนให้รู้จากความแก่ความชลานั้นน่ะสอนอยากเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเนี่ย ระหว่างที่ยู่ไคร้อยปีเนี่ยกว่าจะรู้สึกว่าตัวเองแก่หรือรู้สึ ก, กวากก่าจะแก่ได้นั้นก็ต้องสามสิบกว่าปีขึ้นไปแล้วถ้าหากว่าอายุของมนุษย์เนี่ยหนึ่งแสนปีกว่ามนุษย์จะรู้สึ ก, กว่าตัวเองในเริ่มจะแ ก, ก่ขึ้นแล้วก็ต้องเราเราสามหมื่นสี่หมืนปีเพราะฉะนั้นไอการที่จะสอนว่าอันนี้จังทุกขังอนาตาหรือว่าสอนความแก่ชราว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่เน่ยไม่แท่ไม่เที่ยงแแท้แ ยอมผันแปรไปจากหนุ่มเป็นแก่เหล่านี้เป็นต้นความมนุษย์จะรู้สึกได้หรือจะเห็นจริงได้ก็ต้องสามหมื่นปีไปแล้วเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธองค์นั้นก็จะเป็นหมันไปเสียเพราะฉะนั้นพระองค์จะไม่อุบัติขึ้นนี่เป็นประการที่หนึ่งเรื่องว่ามองต้องมองดูตรวจดูการซสก่อนแต่ว่าในระยะนี้เป็นระยะอายุไขของมนุษย์นั้นอยู่ในระหว่างหนึ่งร้อยปี ดังนั้นพระองค์ก็จึงคิดว่าควรที่จะประุบัิขึ้นได้แล้วรายการที่สองทวีปทวีปนั้นตามหลักพุทธศาสนามีสี่มีสี่ทวีปด้วยกันก็คือหนึ่งบุพวิเทหทวีปซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกอประโคยันทวีปซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตก อุตรากุรุทวีซึ่งอยู่ทางทิศเหนือแล้วก็ชมพูทวีปซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของโลกเหล่านั้นในสีทวีปนี้พระราชานักระดราชบริษททั้งหลายพระนักปราดราชบริตททั้งหลายจะอุบัติขึ้นเฉพาะในชมพูทวีปเท่านั้น พระเจ้าจะ ก, กระเพกรตามก็จะอุบัติเฉพาะในชมพูทวีปจะไม่อุบัติในชมในทวีปอื่นเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตัดสินวระไทยที่จะอุบัติขึ้นในชมพูทวีปเช่นกันสามประเทศประเทศในที่นี้หมายถึงว่าส่วนหนึ่งคือประเทศในที่นี้หมายถึงว่ามัตชิมะประเทศกับปัจจันตประเทศแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆคือมัตปชัชมประเทศนั้นในประเทศที่เป็นส่วนกลาง ซึ่งจเจริญไปด้วยการศึกษานานาชนิดและประจันบประเทศคือพวกชายแดนชาวป่าอย่างนั้นนักปราแร่ฉันวดิก็อนักปาลาแร่ฝริดทั้งหลายแม้แต่พระเจ้าจากักรพรรดิก็จะอุบัติขึ้นเฉพาะในมัชชิมประเทศเท่านั้นเพราะในมัชชิมประเทศนั้นเต็มไปด้วยความจเจริญก้าวหน้าจเจริญไปด้วยการศึกษานานาชนิดเพราะฉะนั้นคนที่จะฉลาดได้นั้นต้องอยู่ในมัชชิมะประเทศ เขาอยู่ในปัจจันประเทศห่างไกลการศึกษาแล้วถึงจะมีชาววัยอันเกิดจากกุ ศ, ศลกรรมที่ทำให้เป็นคนฉลาดก็ตามแต่ถ้าหากว่าไร้การศึกษาก็จะฉลาดดีไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระองค์ก็จึงได้ตัดสินมัะไทยที่จะอุปบัติขึ้นในมัชิมะประเทศสี่สกุลสกุลนี้หมายถึงวันนะวันนั้นชาวโลกได้ยกย่องกันไว้ว่า วันละ Wahl ที่สูงสอ ง, สองวันณะเดกันคือวันณะกษัตริย์กับว <ode a. S 1> ันละพลังเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นจะอุบัติขึ้นเฉพาะในสองวันณะนี้เท่านั้นสุดแท้แต่ว่าในระยะการนั้นชาวโลกยกย่องวันณะไหนสูงจะเกิดในวันณะนั้นถ้าหากว่ายกย่องวันณะพลั์สูงก็จะเกิดในวันณะพรามณ์ถ้าหากจะยกย่องวรนละกษัตริย์สูงก็จะเกิดในวรนละกษัตริ์ แต่ในระยะการนี้ชาวโลกทั้งหลายยกย่องวันณะกษัตร์ว่าสูงกว่าวันณะพรัมเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ตัดสินประไทยที่จะอุบัติขึ้นในวันณะของเกษตรซึ่งชาวโลกยกย่องในขณะนี้ว่าเป็นวันณะที่สูงแล้วพระองค์ก็พิจารณาข้อที่ห้าต่อไปคือมานดามานดานี่สำคัญมาก ธรรมดาสตรีที่จะเป็นพุทธมารดานั้นต้องเป็นสตรีที่มไม่มีสันดานต่ำช้าโลเลต่างๆโลเลในบุตรต่างๆหรือเป็นญาสตรีที่เป็นนักเลงสุราเป็นต้น <c oughs> ตั้งแต่ถือกาเนิดเกิดมาแล้วสตรีผู้นั้นจะรักษาเบญจศีลเป็นประจำแล้วก็จะต้องบาเพ็ญบา ร, รมีมาถึงหนึ่งแสนกับจึงสมควรที่จะเป็น พุทธมารดาได้ในข้อของมารดานี้ก็สำคัญเพราะหากว่าพระพุทธเจ้ า, าพรพุทธองค์นั้นไปอุบัติขึ้นในหญิงที่เป็นหญิงอื่นนอกจากนี้คือเป็นหญิงที่มีสันดานต่าช้าหรือเป็นนักเลงสุราได้ก็จะเป็นการที่เรียกว่าขาดคนที่ อ, อดที่จะมีคนดูแคลนไม่ได้ ว่ามีมารดาเป็นคนต่ำสามหรือเหลวสามก็จะได้อันที่ว่าทาให้พระเกียรติของพระองค์นั่นถอยไปทําให้พระเกียรติของพระองค์นี้ถอยไปได้เพราะฉะนั้นเรื่องของพระมารดานี้ก็สําคัญจึงนับได้ว่าจะต้องเป็นหญิงที่บำเพ็ญบารมีมาถึงหนึ่งแสงกลับและเป็นหญิงที่มีศีลธรรมจริงๆครั้นพระองค์ทรงพิจารณาเห็นความสมบูรณ์ ทั้งห้าประการเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ทรงทรงตั้งพระทัยว่าที่จะมาอุบัติในพระคันของพระนางเจ้าสิริมหามายาซึ่งทรงเห็นว่าพระนางเจ้าสิริมหามายานี้ทรงปราถนาเป็นพุทธบิดาเป็นพุทธมารดาแล้วก็ได้บ่งเพนระรมีมาแล้วถึงหนึ่งแสนกัป และตั้งแต่พระนาง น, นั้นได้อุบัติขึ้นมาแล้วจำมเมื่อรู้เรียงสาแล้วทรงบำเพ็ญเบญจศีลเป็นประจำและนอกจากนั้นในวันอุโบสถก็รักษาศีลอุโบสถ ด, ด้วยดังนั้นพระองค์ก็จึงได้ทูลรับอาราธนาจากถวยเทพเทวดาทั้งหลายแล้วพระองค์ก็ได้ทรงจุติในทิพย์พยอุทยานลงมาปฏิสนิในพระคันของพนางเจ้าสิริมห า, มายา ผู้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าสุโธธนะมหาราชณกรุงกบิลพัทมหานครในวันเป็นขึ้น15ค่ำเดือน8แห่งอาสารหามาตก่อนพุทธศตวรรษ80ปีสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ขอความเจริญพาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านนักศึกษาและผู้ฟังทุกท่านขอเจริญพร